วันนี้เป็นวันพระรหัสที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560เป็นวันถวายพระเพลิงแด่ภาพรบรมศมพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 แห่งพระบรมราชวงศ์จั ก, กรีการถวายพระเพลิงนี้เป็นการแยกธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันเป็นร่างกายส่วนธาตุรู้ธาตุที่ห้าคือใจหรือดวงวิญญาณ น, นั้นได้แยกไปก่อนแล้ว ได้ยากไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเมื่อวันที่สิบสามตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบร่างกายหรือชีวิตของพวกเราคือมนุษย์นั้นเป็นการรวมตัวของธาตุทั้งห้าคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นส่วนของร่างกาย ธาตุรู้คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดคือธาตุรู้มารวมตัวกันเป็นเป็นมนุษย์ขึ้นมาธาตุรู้นี้เป็นผู้สั่งให้ธาตุทั้งสี่คือร่างกายกระทำอะไรต่างๆสั่งให้ลุกขึ้น ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้รับประทานอาหารให้ดื่มน้ำให้ไปที่นั่นมาที่นี่ผู้ที่สั่งคือธาตุรู้คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดเวลาที่เสียชีวิตไปธาตุรู้ก็จะแยกออกจากร่างกายไปก่อน ส่วนร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟก็จะค่อยแยกตัวออกจากกันไปถ้าไม่ได้มีการกระทำการชาปนากิจถ้าเป็นการชาปนากิจก็จะเป็นการแยกธาตุอย่างรวดเร็วพอเผาร่างกายเสร็จ ธาตุน้ำก็จะแยกออกจากร่างกายไปธาตุลมก็แยกออกไปธาตุไฟก็หมดไปเหลืออยู่แต่ธาตุดินคือเศษกระดูกและขี้เถ้านี่คือร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนธาตุรู้ หรือวิญญาณท่านนี้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังไปต่อที่เราเรียกว่าไปสวรรค์ถ้าได้ทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญ ก็จะไปอบายไปอบายก็จะได้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปนรกบ้างถ้าได้ทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นแรกก็คือสวรรค์ชั้นเทพ ชั้นที่สองก็สวรรค์ชั้นรูปปภมชั้นที่สามก็อรูปปภูมิแล้วก็ยังมีอีกระดับหนึ่งของสวรรค์ที่เราเรียกว่าอริยภูมิที่ไปของพระ อ, อริยเจ้ามีขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันขั้นที่สองพระสกิดารามี ขั้นที่สามพระอนาคามีและขั้นที่สี่พระอรหันต์นี่คือที่ไปของธาตุรู้หรือดวหรือวิญญาณธาตุที่หลังจากได้แยกออกจากร่างกายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่จะเป็นร่างกายของพระราชามหากษัตริย์ของประธานาธิบดี ของนายกรัฐมนตรีของมหาเศรษฐีของคนธรรมดาสามัญหรือของขอทานผู้ยากไร่ <c oughs> ก็เป็นเหมือนกันทุกๆคนถ้ารู้นี้ไปตามกฎแห่งกรรมคือการกระทำที่ได้กระทำไว้ในขณะที่ มีชีวิตอยู่จะมีการกระทำอยู่3แบบด้วยกันคือทำบุญทำบาปและทำที่ไม่ใช่เป็นบุญและไม่ใช่เป็นบาป mm hmm. การทำบุญนี้คือการทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่น mm hmm. การทำบาปก็คือการทำความเสียหาย mm hmm. เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ส่วนการกระทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือการกระทำที่ไม่ได้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้อื่นเช่นการกระทำที่เราทำต่อตัวเราเองเช่นการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการอาบน้ำอาบท่าการทำอาหากินการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้อื่น ก็ไม่มีผลผลดีผลร้ายตามมาถ้าทำบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าทำโทษแก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือ เหตุที่จะทำให้วิญญาณธาตุหลังจากที่แยกออกจากร่างกายแล้วนั้นไปสู่ที่ต่างๆไปสู่ภพต่างๆไปแล้วก็กลับมาใหม่หลังจากที่ได้ไปใช้บุญใช้บาปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่ แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ตอนนี้ฝนตกขอนั่งเฉยๆไปสักพักก่อนเพราะว่าพูดไปเสียงมันจะฟังไม่ชัดเสียงฝนมันดังอันนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งก่อนรอให้ฝนหยุดแล้วจะพูดธรรมะให้ฟังต่อ วิธีนั่งสมาธิก็ให้มีอะไรกำกับใจแค่นมีพุโทโธพุโทโธนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรหรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกจะว่าพุทก็ได้จะว่าพุทเข้าโธออกก็ได้หรือไม่ว่าก็ได้ดูเฉยๆก็ได้ หรือไม่ดูลมก็ได้เอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ทำอย่างไรก็ได้เพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เรามาหยุดความคิดกันเพราะว่าถ้าเราหยุดความคิดได้เราจะมีความสุขเราจะมีความสบาย<ม>เป็นบุญอย่างมากเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญที่ได้จากการรักษาสีง บุญที่ได้จากการทําบุญทําทานเป็นบุญที่มีความสุขมากกว่าที่เราสามารถที่จะทํากันได้ทุกคนถ้าเรามีสติคือมีอะไรคอยกํากับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอให้อยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไป เดียวพอเสียงเงียบลงแล้วเราจะมาพูดธรรมะต่อตอนนี้ฝนได้หยุดแล้วก็จะขอพูดธรรมะต่อญาติโยมก็นั่งตามสบายต่อไปเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของร่างกายกับจิตใจที่จะต้องมีวันที่จะต้องแยกทางกัน ร่างกายก็ต้องไปเกินสู่ดินน้ำลมไฟใจก็ต้องไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำเอาไว้การที่เรามาฝึกนั่งสมาธิกันนี้จะเป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในช่วงที่ร่างกายกับจิตใจต้องแยกทางกันเหมือนกับนักบินที่ขับเครื่องบิน เวลาที่เขาจะต้องแยกออกจากเครื่องเวลาที่เครื่องเสียถ้าเขามีล่มชูชีพเขาก็จะแยกได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องอตกลงมากระแทกพื้นเพราะมีล่มชูชีพประครับประคองไว้ใจของเราก็เหมือนกันตอนที่เราใจตอนที่ใจต้องแยกออกจากจากร่างกาย ถ้านั่งสมาธิเป็นใจจะมีร่มชุชีพจะไม่ทุกข์กับการแยกออกจากร่างกายเช่นเวลาตายถ้าเรานั่งสมาธิเป็นก่อนตายเราก็เข้าสมาธิไปพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดใจก็จะเน่งจะสงบแล้วร่างกายหยุดหายใจไป ใจก็ไม่เดือดร้อนอะไรแยกออกจากกันได้อย่างสบายถ้าไม่รู้จักวิธีนั่งสมาธิเวลาที่จะต้องแยกออกจากร่างกายนี้จะทุกข์ทรมานใจมากเพรอมจะไม่รู้จักวิธีทําใจให้สงบจะพยายามเกาะติดอยู่กับร่างกายแต่ก็ไม่สามารถอาศัยร่างกายได้ต่อไป เพราะร่างกายตอนนั้นก็จะเจ็บมากปวดมากทรมานมากขึดังนั้นขอให้พวกเรามาฝึกนั่งสมาธิกันให้มากๆเพื่อเพราะว่าต่อไปเราจะต้องแยกออกจากร่างกายถ้าเราจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ทรมานใจถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้เราจะรู้สึกทรมานใจมาก นี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฝึกทำสมาธิกันและขณะที่เรายังไม่ตายเราก็สามารถใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เวลาเราไม่มีเงินทองไปเที่ยวเราก็นั่งสมาธิได้หาความสุขได้ เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปเที่ยวได้เราก็สามารถหาความสุขได้ด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบการฝึกนั่งสมาธินี้เป็นประโยชน์มากกับจิตใจของพวกเราแต่การที่เราจะนั่งสมาธิให้ได้ผลนั้นเราต้องมีสติคอยกํากับใจถ้าไม่มีสติ นั่งไปนานสักเท่าไหร่ใจก็จะไม่สงบเพราะใจก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยแล้วก็จะไม่เห็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิกับเห็นโทษกับคิดว่าเป็นนั่งแล้วไม่สบายนั่งแล้วอึดอัดนั่งแล้วลำคาใจปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เพราะช่วงนั้นใจยังไม่สงบแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้แล้ว ความรู้สึกต่างๆจะหายไปหมดใจจะว่างจะเบาจะเย็นจะมีความสุขมากฉะนั้นต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาให้ได้เพราะถ้าไม่มีสติแล้วจะทำใจให้สงบไม่ได้แลวควรฝึกสร้างสติกันอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิเท่านั้นควรจะฝึกทั้งวันเลยถ้าเป็นไปได้ ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้มีสติกำกับใจคอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้ามีเรื่องจําเป็นจะต้องคิดก็คิดไปพอเสร็จแล้วก็หยุดคิดเรามีวิธีใช้สติกำกับใจได้หลายวิธีเช่น เ, เราเลิกถึงพุทโธพุทโธไป ถ้าเราเลิกอยู่กับพุทโธพุทโธไปเราก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้หรือถ้าเราจะเฝ้าดูการกระทําที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าอยู่กับการกระทํานั้นกําลังอาบน้ํากําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันกําลังหวีผมกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังรับประทานอาหาร ทาอะไรก็ให้อยู่กับการงานที่กำลังทําอยู่อย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่ามีสติพอใจอยู่กับเรื่องเดียวได้ตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิเราก็ให้อยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือให้อยู่ดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวก็ได้หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหรือถ้าอยากจะใช้พุทธโธควบคู่ไปกับการดูลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธหรือจะหายใจเข้าก็พุทธโธหายใจออกก็พุทธโธไปก็ได้แล้วแต่ความถนัดอันนี้ไม่มีการไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ ความถนัดความพอใจของผู้ปฏิบัติที่จะเลือกใช้วิธีกํากับใจแต่ต้องมีอะไรคอยกํากับใจไว้เพราะเมื่อถ้าไม่ได้กํากับใจเดี๋ยวใจก็จะคิดจะปรุงแต่งแล้วก็จะสร้างภาพมาหลอนมาหลอกเราได้หรือสร้างอาการอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาก่อกวนใจเราได้แต่ถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่อง ใจจะไม่สามารถผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกลวงมาหลอกมากวนใจเราได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบใจนิ่งแล้วก็ไม่อย่าไปทำอะไรพยายามรักษาความนิ่งให้นิ่งไปให้นานๆอย่าปล่อยให้คิดถ้าเริ่มคิดเมื่อไหร่ก็ใช้สติหยุดมันทันที ถ้ามีอะไรมาหลอกมาล่อก็ใช้สติหยุดมันอย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธแล้ว อ, อยู่ที่ลมต่อพยายามนั่งให้นานๆ น, นั่งให้สงบมากๆแล้วจะมีความสุขจะทำให้เราอยู่เป็นสุขทำให้เราไม่ต้องดิ้นรนไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้ ที่เป็นความสุขประเดียวประเดาวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็จะมีวันหมดไปได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียไปแต่ความสงบที่เราหามานี้เราจะสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้ มาให้ความสุขกับเราเราจะอยู่คนเดียวได้อย่างไม่รู้สึกว่าเว่ไม่เศร้าซ้อยหงอยเหงามีความสุขคนที่มีความสงบแล้วนี่ชอบอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่าอยู่กันหลายคนอยู่หลายคนแล้วมีเรื่องมากเดี๋ยวก็ทะเลาะกันบ้างเดี๋ยวก็มีอะไรกันบ้างมีความเห็นไม่ตรงกันบ้าง อยู่คนเดียวได้นะดีที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆทั้งวันเลยการฝึกสติถ้าจะให้ฝึกสติได้ผลดีต้องไม่มีงานทำเวลาทำงานมันต้องใช้ความคิดมากฝึกสติยากต้องหาวันหยุดทำงานแล้วมาฝึกสติกัน เช่นวันไหนวันวันหยุดทำงานไม่ต้องไปทำงานลองหาที่สงบอยู่คนเดียวไปอยู่ตามวัดก็ได้อถ้าอยู่บ้านมีที่เราอยู่คนเดียวได้ไม่ยุ่งกับใครก็ลองอยู่คนเดียวเดูแล้วลองคอยคอยเจริญสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ต้องพยายามทำให้มากๆบ่อยๆ แล้วจะเกิดผลถ้านานๆทำทีนี้ผลจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วจะไม่มีกำลังใจที่จะฝึกสมาธิแต่ถ้าเราทำมากๆจเจริญสติบ่อยๆผลจะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วพอเกิดผลแล้วจะทำให้เรามีกำลังใจมีความยินดีที่จะฝึกสมาธิไปมากกว่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่น แล้วต่อไปเราจะมีที่พึ่งทางใจเวลาเรามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเราก็ไปนั่งสมาธินั่งเดี๋ยวเดียวความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้มาเจริญปัญญาต่อได้มาศึกษาความจริงของชีวิตมา ว่าตัวเราที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนชีวิตของเรามีสองส่วนมีร่างกายกับมีจิตใจร่างกายเราก็เห็นแล้วว่าต่อไปมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปเราตายไปกับร่างกายหรือเปล่าถ้าเราฝึกสมาธิเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พอเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนต่อสวนกันเวลาร่างกายหยุดทำงานใจก็ไปต่ อ, อไปตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้เวลาที่ไปก็ไปสบายถ้ามีความสงบถ้ารู้จักฝึกสมาธินั่งสมาธิได้ แล้วก็จะไปรับผลบุญต่างๆที่เราได้ทำเอาไว้ <c oughs> ผลบุญบุญที่เราทำถ้าเราทำบุญนักษาศีลได้เราก็จะไปเกิดเป็นเทพถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะไปเกิดเป็นพรหมไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเราจเจริญปัญญาได้ หยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพระ อ, อริยเจ้าไปสู่สวรรค์ของพระโสดาบันของพระสกิฎาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ถ้าเราไปสู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้าได้เราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราได้ไปชั้นที่หนึ่งเราจะกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็บชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองขั้นของพระสกิดาคามีเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงเอกชาติเดียวอีกครั้งเดียวถ้าได้ขั้นที่สทัขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเราจะไปเกิดเป็นพรหม แล้วถ้าได้ขั้นที่สี่ขั้นพระอาหารหันต์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเทพไม่ต้องมาเป็นพรหมจะไปเป็นพระอาหารหันตสาวกจะไปอยู่ที่นิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีความทุกข์ แต่ถ้าเราเพียงแต่ได้แต่รักษาศีลหแล้วก็ทำไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นเทพพอบุญที่เราได้ทำหมดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่มาทำบุญทาบาปใหม่ต่อไปถ้าเราทำบาปเราก็จะต้องไปใช้บาป ในอบายมีอยู่สี่จุดด้วยกันจุดที่หนึ่งเรียกว่าเดรัจฉานไม่เกิดเป็นสัตว์สี่เท้าเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นต้นเพราะเราทำบาปคือเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดิมสุรายาเมาและเสพอบายยุพกต่างๆ การกระทําเหล่านี้จะพาให้เราไปสู่อบายถ้าเราไม่อยากจะไปอบายเราก็ต้องพยายามละเว้นจากการกระทํำบาปให้ได้ตลอดเวลารักษาศีลห้าให้ได้ตลอดเวลาแล้วเราจะปิดประตูอบายได้ศีล น, นี้เป็นที่เป็นที่กั้นไม่ให้เราเข้าสู่อบายถ้าเราไม่อยากจะไป เป็นเดลชานไปเป็นเปรตไปเป็นนศรกายไปตกนรกเราต้องรักษาศีลห้ากันให้ได้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสุรายาเมาขอให้คิดถึงเฮถึงโทษที่จะตามมาขอให้คิดถึงความเดือดร้อนที่เราจะไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนให้คิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะ ยอมให้เขาทำไ้มเราอยากจะให้เขาทำไหถ้าเขาจะมาเอาชีวิตเรานี enfin ้เราอยากจะให้เขาไปหรือเปล่าถ้าเขาอยากจะมาเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราเราอยากจะให้เขาไปหรือเปล่าถ้าเขาจะมายุ่งกับสามีภรรยาของเราเราอยากจะให้เขามายุそうそう่งหรือเปล่าถ้าเขามาหลอกลวงเราเราอยากจะให้เขามาหลอกลวงเราหรือเปล่า ให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กระทาบาปกันเพราะเราก็ไม่อยากที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นให้คิดถึงผลที่จะตามมาหลังจากที่เราทำแล้วถ้ามีผลนั้งแต่เรายังไม่ตายเวลาทำบาปนี้ใจเราจะทุกข์ใจเราจะไม่สบายจะกังวลจะวิตกจะหวาดกลัวกับ การกระทำกลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวจะกลัวผู้อื่นจะรู้แล้วเราจะอับอายขายหน้าว่าเราเป็นคนไม่ดีให้คิดถึงผลที่จะตามมามันจะทำให้เรายับยั้งการกระทำบาปได้แล้วตายไปเรายังต้องไปใช้บาปต่ออีกถึงแม้ เป็นขณะที่มีชีวิตอยู่อาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้แต่เวลาตายนี้กฎแห่งกรรมนี่เราหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมนี้จะดึงเราไปทันทีบาปที่เราทํานี่จะมาจับเราไปเข้าคุกตารางของของอบายอยู่ที่โทษหนักเบาไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายและไปตกนรกเนี่ย อันนี้เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วนามาสั่งสอนให้พวกเราที่ยังไม่รู้พวกเรายังมองไม่เห็นเพราะพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าคนตาดีไปก่อนถ้าเราไม่เชื่อคนตาดีเราเชื่อตัวเราเองเดี๋ยวเราก็จะต้องไปประสบกับโทษเลือภัยต่าง เวลาเราเป็นคนตาบอดเราไปไหนมาไหนคนเดียวได้ไหมถ้าไม่มีคนตาดีพาเราไปเราจะรู้หรือว่าทางที่เราจะไปนั้นอยู่ตรงไหนเราก็จะคาทางไปไปแบบผิดผิดทุกทุกแต่ถ้าเรามีคนตาดีพาไปเราก็จะไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยินขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนตาดี คนที่เห็นดวงวิญญาณที่เวลาออกจากร่างกายไปแล้วนี่จะไปที่ไหนต่อพวกเราถ้าอยากจะเห็นเราก็เห็นได้เพราะาตาเรานี่มันไม่บึมันไม่บอดไปตลอดมันไม่มืดไปตลอดถ้าเราอยากจะให้ตาเราสว่างขึ้นมาเรานั่งสมาธิกันปิดตานอกปิดตาร่างกายนั่งหลับตาแล้วพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไป เหลียวใจสงบแล้วใจก็จะสว่างขึ้นมาใจก็จะเห็นสวรรค์เห็นนรกขึ้นมาสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนการเป็นอะไรต่างๆนี้เป็นในใจของเราเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรนี้เป็นที่ใจของเราก่อนเช่นถ้าเราทำบาปร่างกายเราตอนนี้อาจจะเป็นมนุษย์แต่ใจของเรานี่เป็นเดรัจฉานไปแล้วก็ได้ พอตายไปก็อะไรต้องไปเปลี่ยนร่างกายจากของเป็นมนุษย์ไปเป็นของเดรัจฉานตามตามสภาพของใจที่เป็นเดรัจฉานไปเดรัจฉานเขาเป็นอย่างไรเดรัจฉานเขาอยู่อย่างไรเขาก็อยู่กันแบบกินกันฆ่ากันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยขโมยกันเ้าของของใครอาหารของใครทิ้งไว้ที่ไหน หิวขึ้นมาก็ไปขโมยมากินเลยถ้าเป็นมนุษย์แล้วทำอย่างนี้มันก็ใจก็เป็นเดรัจฉานไปแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจได้กลายพันธุ์ไปแล้วกลายจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานถ้าอยากจะรักษาใจให้เป็นมนุษย์ก็ต้องไม่ทำบาปมนุษย์นีนะ่เวลามาเกิดใหม่ๆนี้จะไม่ได้ทำบาปเลย เพราะว่าเวลาเกิดใหม่ๆยังไม่ได้ทำอะไรมีพ่อแม่คอยเลี้ยงคอยทำอะไรให้ก็ไม่ได้ทำบาปแต่พอโตขึ้นมาพอเริ่มมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่มีใครคอยสั่งคอยสอนเดี๋ยวเห็นของของคนอื่นอยากได้ก็จะไปเอาของมาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอันนี้ก็เริ่มเอานิสายของเดรัจฉานมาใช้แล้วเดรัจฉานเช่นหมาเนี ถ้าเราวางอาหารไว้ที่ไหนถ้าเผลอเดียวมันก็คาบไปกินเลยมันไม่มาขออนุญาตก่อนถามว่าอาหารนี้ของใครขอไปกินได้ไหมถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็ต้องถามเจ้าของก็ก่อนถามว่าอาหารนี้ขอได้ไหมขอกินได้ไหมถ้าขอให้ก็เอาไปกินอย่างนี้ก็ไม่บาปเพราะว่าได้เอาของไปโดยที่เจ้าของเ้าอนุญาตให้ไป เไปโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตเขาเรียกว่าขโมยก็เป็นการกระทำของเดรัจฉานใจก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานวันละเล็ ก, กวันละน้อยวันนี้ขโมยสิ่งนั้นพรุ่งนี้ขโมยสิ่งนี้ต่อไปโตขึ้นอาจจะไปประพฤติผิดประเวณีไปเที่ยวตามบาตามผับไปหาคนนั้นคนนี้มาร่วมหลับนอนกันโดยที่ไม่ได้อ่ เป็นครอบครัวกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอย่างนี้ก็เป็นพฤติกรรมของเดรัจฉานเหมือนกันดังนั้นขอให้เราคิดถึงผลที่จะตามมาว่าการกระทำบาปนี้มันจะลดคุณค่าของตัวเราลงไปจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างหรือไปตกนรกบ้าง ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อว่าจะมีโทษตามมาถึงแม้ว่าเรายังมองไม่เห็นเพราะเราไม่มีตาในเรามีแต่ตานอกเราเห็นแต่ร่างกายเราไม่เห็นใจผู้เป็นผู้กระทาบาปและเป็นผู้ไปรับผลบาปเราก็อาจจะคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็ได้เพราะเห็นเพียงแต่ร่างกาย เวลาร่างกายตายไปกลายเป็นขี้เท่าไปเอาไปเผากลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครล่ะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปเพราะเราไม่เห็นร่างเราไม่เห็นใจผู้เป็นผู้กระทําร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคําสั่งเท่านั้นเองใจนี่แหละเป็นผู้กระทําเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายไปไปทําบาปแต่เราไม่เห็น แต่เรารู้เนี่ยทุกคนพวกเราทุกคนมีใจมีความคิดกันเวลาเราจะทําอะไรเราต้องคิดก่อนอย่างวันนี้เราจะมาที่นี่เราต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะมาที่นี่เราพอถึงเวลาเราก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่นี่เนี่ยร่างกายมันเป็นเพียงแต่ผู้รับคําสั่งผู้ที่สั่งผู้กระทําจริงๆนี่คือใจและเป็นผู้รับผลของการกระทําด้วย เช่นวันนี้มาวัดก็มาทําบุญกันมาฟังเทศฟังธรรมกันก็เกิดผลขึ้นมาทันทีก็คือความสุขใจเย็นใจสบายใจเนีความสุขใจเย็นใจสบายใจนี้เราเรียกว่าสวรรค์อตอนนี้เรากําลังกลายเป็นเทวดากันแล้วเอตอนนี้เรารักษาศีลเราไม่ได้ทําบาป ก, กัน ตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดไม่ได้ดื่มสุรายามเมาแล้วเรายัางทำบุญอีกเอาข้าวของเงินทองมาถวายวัดถวายให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ต้องอาศัยการทำบุญให้ทานของเราเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องไปทำมาอากินเพื่อจะได้มีเวลามาศึกษาพระธรรมคำสอน เราจะได้เอานาพระธรรมคำสอนนี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราต่อไปเราก็ได้ทำบุญท่านก็ได้รับประโยชน์จากการทำบุญของเราเราก็เป็นเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาความสุขใจอิ่มใจนี่แหละคือสถานภาพของเทวดาใจตอนนี้เราเป็นเทวดาเรากำลังแปลงใจของเราจากมนุษย์ให้เป็นเทวดา ไปทีละนิดเทียวหน่อยถ้าเราทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆต่อไปใจเราจะเป็นเทวดาถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเทวดาแล้วพอเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เป็นเทปเราก็เป็นเทวดาเต็มที่ไม่ต้องไปเอาร่างกายของเดรัจฉานมาเป็นร่างกายแต่เราจะเป็นกายทิพย์เป็นเทวดาออ แล้วถ้าเราทําบุญที่สูงกว่านี้ได้นอกจากทําบุญทําทานรักษาศีลห้าแล้วเรามารักษาศีลแปดมาฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ใจเราก็จะกลายเป็นพรหมไปทุกเวลาที่ใจสงบเด้งนี้ใจจะเป็นพรหมขึ้นมาพรหมก็มีหลายขั้นมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ถึงขั้นที่แปด สมาธิก็มีแปดขั้นมีชานแปดชั้นชานสี่รูปฌานสี่เอารูปฌานสี่ใจสงบมากขึ้นตามลําดับชานแต่ละขั้นนี้จะมีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับตามความสงบของจิตเนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทําบุญรักษาสีนั่งสมาธิกัน ผลเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกายร่างกายก็เป็นเหมือนเดิมร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนเดิมไม่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ร่างกายของอาชญากรก็แก่เจ็บตายร่างกายของคนดีก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ใจของอาชญากรกับใจของคนดีนี้ไม่เหมือนกันใจของอาชญากรนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อน เขาใจได้ไปอบายตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายสนใจของคนทำความดีคนดีนี้จะเย็นจะสุขจะสบายนี่คือความแตกต่างแตกต่างที่ใจไม่ได้แตกต่างที่ร่างกายถ้าเราไปมองที่ร่างกายเราจะไม่เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของบุญของบาปเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเราต้องไปมองไปที่ใจ ถ้าเราอยากจะเห็นใจของเราเราต้องนั่งสมาธิเท่านั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจสงบแล้วใจก็จะแยกออกจากร่างกายแล้วเราก็จะเห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันจะเห็นว่าความสุขของใจเกิดจากการที่เราทำความดีเกิดจากการที่เราทำใจให้สงบ จะเห็นความทุกข์ของใจว่าเกิดจากการทำบาปจากการมีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแล้วเราจะรู้ว่าการที่เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะความโลภความอยากของเรานี่เองที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วหลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วเราก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเรายังมีความอยาก หาความสุขแบบเดิมอยู่หาความสุขโดยใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกรินกายเรายังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยู่แต่ถ้าเร า, าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าการที่เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากนี้เองถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ําแล้วซ้ําอีก เราก็อย่าไปทําตามความอยากเลิกเที่ยวกันเลิกดูหนังฟังเพลงกันเลิกหาความสุขทางร่างกายกันแล้วมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบอมาฝึกนั่งสมาธิกันทําใจให้สงบแล้วจะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปการมาเกิดใหม่ถึงแม้ว่าจะดี ถึงมาจะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยังต้องมาเจอความทุกข์อยู่แต่ถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์รอเราอยู่อีกเลยทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์อย่ากลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องมาหยุดความอยากกันอย่าใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขกันเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าแล้วเราจะได้เลิกใช้ร่างกายหาความสุขพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาทุกขกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ที่ละคือสวรรค์ชั้นสูงสุดความสุขชั้นสูงสุดคือพระนิพพานเกิดจากการที่เราหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายตามมาอย่างใจของพระพุทธเจ้าของพระอาจานต์ทั้งหลาย ตอนนี้ท่านไม่มีร่างกายใจของเรากับของท่านเหมือนกันไม่มีวันตายต่างกันกรตรงที่ใจของเรานี่ยังต้องมีร่างกายพอเรามีร่างกายเราก็มามีทุกทันทีเพราะร่างกายนี้เหมือนเหมือนถ่านไฟดีๆนี่เองก้อนไฟที่เราไปจับมันพอไปจับก้อนไฟมันก็ไมหม้มือเราทุกเมื่เวลาที่เราไปจับของร้อน มันมันเจ็บหรือมันปวดฉันได้ร่างกายนี้ก็เหมือนกับของร้อนเหมือนก้อนไฟเพราะมันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมานั่นเองแต่ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าอร่างกายนี้มันทุกข์อย่าไปมีมันดีกว่าการที่จะไม่มีมันก็ต้องเลิกใช้มันอย่าไปใช้มันพาเราไปเที่ยวพาเราไปดูหนังฟังเพลงพาเราไปหาความสุขต่างๆไม่ เรามาหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายกันดีกว่าคือมานั่งสมาธิอย่างที่เราเมื่อกี้ได้ลองนั่งกันขอให้ลองทำบ่อยๆวันละหลายๆชั่วโมงแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราจะเลิกใช้ร่างกายหาความสุขได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปเหมือนที่พวกเราต้องทุกข์กันอย่างวันนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตายแต่เราก็สูญเสียบุคคลที่เรารักเราเคารพไป เราก็รักเราก็ทุกข์กันเราล้องห่มล้องห้ายกันเราจะไม่ต้องมาล้องห่มล้องห้ายกันถ้าเราหยุดความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้พอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ต่อไปเราก็จะอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวก ค, คืออยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่กับบรล ม, มังก์มเพียงอย่างเดียว ตอนนี้พวกเรากำลังอยู่กับบรำ ม, มาทุกข์กันทุกข์กับร่างกายพอตายแล้วก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่มาทุกข์ใหม่อยู่เรื่อยๆใจของพวกเราไม่มีวันตายมีแต่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเท่านั้นเองถ้าอยากจะสุขแบบพระพุทธเจ้าก็ต้องมาหยุดความอยากกันมาฝึกนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันแล้วเราจะได้เลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปพอไม่มีร่างกายใจของเราก็จะมีแต่บัลลุมมาสุไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นก็ในโอกาสที่เป็นวันถวายพระเพิงก็ขอให้ท่านได้เอาเหตุการณ์อันนี้มาสอนใจให้เห็นว่าการเกิดนี้มันไม่ดีเกิดแล้วมันจะต้องนำไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะมีกำลังใจที่จะมาฝึกสมาธิมาหาความสุขโดยแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วต่อไปเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเรวะหาปุราปริรปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังอะนิวะสัิสัตโสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทสัญญะรัตถุยถาสนิโสติ ราโสยถาสัพพิติโยวิวัตุสัพพโลกนักสตุมาเตพาวะวันตาลาโยสุขีทีขายโคพาวะอธิวาทนาสีสานิจามุทาปจายโนยะเโลธรรมาวทานติ a e you one of us? Our o v e If we are, if e are, i we are.